ขออนุญาตเปรียบเปยกับเป็นปรมัต ธ, ธรรมที่มีการแยกออกเป็นอยู่4อย่างนะครับก็จะเป็นรูปจิตเจตสิกแล้วก็นิพพานแล้วก็แบ่งออกเป็นสองหมวดคือสังคตธรรมกับอสังคตธรรมตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะเชื่อมโยงกับที่หลวงพ่อเทศตรงนี้ได้ไหมครับในปรมัต ธ, ธรรม4ี่อย่างเนอะรูปจิตเจตสิกนิพพาน <Okay. S 2> รูปก็โอเคเข้าใจได้อยู่แล้วรูปก็คือส่วนที่เป็นส่วนกายนะรูปก็ไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกแล้วก็ไม่ใช่นิพพานทีนี้เรื่องจิตกับเจตสิกเนี่ยจริงๆถ้ามองง่ายๆเนี่ยก็คือนามธรรมนะนามธรรมทั้ง4ตัวคือตั้งแต่เวทานาสัญญาสังขารวิญญาณนะก็คือนี่แหละคือเจตสิก ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่พอมาแยกเป็นจิตกับเจตสิกก็คือว่าจิตก็คือวิญญาณนะวิญญาณที่รับรู้ทางหูตาจามูกลิ้นกายใจส่วนเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะแต่ว่าเรื่องนี้เขาก็เลยไปอธิบายอีกแง่มุมหนึ่งนะเพราะฉะนั้นคําว่าจิตในที่นี้ก็เป็นจิตก็คือวิญญาณนั่นเองก็ยังเป็นวิญญาณก็เป็นนิพพานไม่ได้เพราะว่ายังเป็นสังขารยังเกิดดับใช่ไหมเพราะมันเป็นวิญญาณในขันธ์หยังเกิดดับ ก็ย like, ังเป็นส um um ิ่งท <uz ra. S 1> yeah. ี่ปรากฏแล้วก็หมดไปส่วนนิพพานเนี่ยเป็นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเป็นปารมัตตธรรมหมายความว่าเป็นความไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เจตสิกแต่เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏคือเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติที่มันพ้นไปจากความเกิดเป็นธรรมชาติที่พ้นจากความปรากฏ ธรรมชาตินั้นก็มีอยู่แต่ทีนี้ไอ้เรื่องรู้เนี่ยที่เรามาพูดถึงเรื่องรู้เนี่ยไอ้นี้รู้หมายถึงว่ารู้ที่ไม่ใช่วิญญาณเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นความไม่ปรากฏเหมือนกันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าถ้าเรียกอีกมุมหนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นธาตรู้นะเป็นธาตุตามธรรมชาติคุณคุณสมบัติของธาตรู้คือรู้อย่างเดียวแต่ไม่ปรากฏตัวผู้รู้ แล้วธรรมชาติรู้เนี่ยก็เป็นความไม่ทุกข์ไม่สุขเหมือนกันและไม่ปรากฏเหมือนกันมันใครนิพพานมากแต่นิพพานเนี่ยมันไม่มีความรู้นะเพราะนิพพานธาตุเนี่ยมันเป็นคือมันไม่มันเป็นธาตุอย่างหนึ่งแต่ไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เป็นสภาพที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคือไม่มีอะไรเป็นสภาพที่ไม่มีอะไรนะไม่ไม่อาจจะเอาอะไรไปเทียบเคียงได้ว่าว่าคือคือนิพพานเนี่ยพอมองออกเนาะคือ อันนี้คงได้จินตนาการแหละเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จักนิพพานเนี่ยยังไงเวลาเราพูดมันก็จินตนาการแต่ก็จะพูดให้ความคือเป็นสภาพธรรมะที่ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏทุกข์ไม่ปรากฏสุขไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการมีนะไม่ปรากฏการคือใช้คำว่าไม่ปรากฏกันแล้วกันจะง่ายดีซึ่งเหมือนกับธาตุรู้แต่ธาตุรู้เนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าธาตุรู้เนี่ยคือมันมีความรู้ พอมีความรู years, they they right. get, mm ้เสร็จแล้วเนี่ยธาตุรู้นี่แหละมันก็สามารถรู้ถึงนิพพานได้ว่านิพพานน่ยคือสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการที่จะรู้จักนิพพานได้มันจะต้องต้องรู้จักต้องรู้จักธาตุรู้ซะก่อนเพราะธาตุรู้เนี่ยเป็นความไม่ทุกข์ไม่สูกเป็นความไม่ปรากฏธาตุรู้เนี่ยจึงรู้นิพพานได้แต่นิพพานเนี่ยไม่อาจจะรู้อะไรได้เออแต่แล้วอีกอย่างหนึ่งนิพพานเนี่ยอย่าไปจินตนาการโดยเด็ดขาดเพราะการจินตนาการคือเป็นสิ่งที่ปรากฏจินตนาการไม่ได้ จะจินตนาการอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะการจินตนาการคือเป็นสิ่งที่เกิดเป็นสิ่งที่ปรากฏซึ่งมันเป็นเป็นสังขารแต่นิพพานมันไม่ใช่สังขารมันพ้นไปจากสังขารเพราะฉะนั้นนึกไม่ได้คิดไม่ได้จะอ่านหนังสือเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจะเข้าใจเรื่องนิพพานได้จะเข้าใจได้ก็ต่อเมื่อว่ารู้จักรู้นี่แหละว่ารู้เนี่ยรู้แล้วไม่ทุกข์รู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วไม่เป็นอะไรจะเข้าใจได้ว่าอนิพพานคือเป็นอย่างนี้ หลวงพ่อนะก็พูดยาวเถิดไปแต่ว่าอเอาพอที่จะแยกได้ระหว่างรูปจิตเจตสติกและก็นิพพานนิพพานก็เป็นเป็นธรรมะอีกอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เจตสิกแต่ถ้าให้ของจริงก็คือรู้ตัวรู้ตัวที่กําลังพูดกําลังถามกําลังคิดแล้วรู้ว่าสิ่งเนี้ยกําลังปรากฏแล้วก็หมดไปเห็นไม้มความหมดไปนี่ก็คือเป็นสังขตธรรมนะเป็นธรรมที่ปรุงแต่ง มีแล้วหมดไปแต่มีธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความไม่ปรากฏแต่รู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏแล้วหมดไปหมดไปแต่ธรรมชาติที่รู้ที่ไม่ปรากฏอันเนี้ยเป็นเป็นสังขตธรรมเหมือนกันคือเป็นธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขพอธรรมนี้ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขก็จริงๆก็คือเป็นก็คือนิพพานแต่ ที่ทําไมเอ่อเรียกว่าไอ้ธรรมชาติรู้ไม่เป็นนิพพานอ่ะเพราะมันมันยังรู้ไงมันรู้ได้แต่นิพพานเนี่ยไม่รู้นิพพานน่ยไม่รู้อะไรแต่ธรรมชาติรู้เนี่ยไปรู้ว่านิพพานเป็นอย่างนั้นแล้วก็เมื่อรู้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือนิพพานนะได้แต่รู้ว่านิพพานคือความไม่ทุกข์พ้นทุกข์แล้วไม่ยึดติดอะไรไม่เป็นอะไรก็เข้าใจได้เลยว่าอ้านิพพานจริงๆเขาก็จึงเรียกถึงว่าไอ้จิต จิตบรรลุนิพพานไงนะจิตเนี้ยก็คือธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีกิเลสรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเนี้ยบรรลุธรรมบรรลุนิพพานเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่พวกเรานะอย่าไปสนใจตรงนี้เพราะว่าถ้ามัวแต่สนใจตรงนี้เราลืมตัวพอลืมตัวเสร็จมันก็มีตัวมีตนขึ้นมาว่าเรารู้แล้วว่านิพพานคืออะไรเราแล้วเราเข้าใจแล้วว่านิพพานเป็นยังไงตราบใดที่ยังมีเราเนี่ยไม่อาจจะ ถึงนิพพานได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีปัญญาสูงสุดเสียก่อนว่าไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วใครจะทุกข์ใครจะสุขใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเรื่องนิพพานเองว่าอ๋อเมื่อสิ้นตัวตนเมื่อสิ้นตัวเราแล้วก็ไม่มีตัวเราหลงไปยึดอะไรเป็นอะไรอีกนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นนิพพานไปตรงนั้นแหละเพราะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องนิพพานมากอย่าไปสนใจเรื่องอื่นมาก ที่สนใจมากที่สุดคือรู้สึกตัวกลับมารู้ตัวว่าตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวตัวนี้เป็นแค่สิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งที่เกิดแล้วแล้วมันก็ดับไปนะเข้าใจแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ว่าตัวเราไม่มีในปัจจุบันแค่นั้นแหละเรื่องไม่ต้องถามเรื่องว่ามียังมีสุขยังมีทุกข์อีกไหมเพราะว่าเมื่อตัวเราไม่มีแล้อว่าเราจะสุขเราจะทุกข์ได้ยังไงใช่ไหม เพราะนั่นเนี่ยมันก็เอาตรงนี้ง่ายง่ายกว่าเยอะแล้วก็ถูกต้องด้วยความรู้สึกตัว อ, อ๋อถ้าอุปมาตรงนี้เนาะคือเหมือนกับว่าลองมองแบบธรรมชาติเลยนะขวดน้ำเนี่ยน้ำที่มันอยู่ในขวดมันอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเนาะมันก็จะจะเรียกถ้าเราไม่ไปจับเนาะมันก็จะนิ่งอ๋ถ้าเราไม่ไปถือไม่ไปจับเนี่ยมันก็อยู่นิ่งของมันอย่างนั้นแหละ แต่ทีนี้พอมีตัวเราเนี่ยไปจับขวดน้ำไปยกขึ้นมาเนี่ยน้ำมันก็ไหววขึ้นมานะน้ามันก็ไหววน้ำมันก็กระเพื่อมพนะระนันตราบใดก็ตามถ้ายังมีเราเป็นผู้ถือขวดน้ำอยู่น้ำมันก็จะไม่นิ่งแต่ถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่น้ำมันก็จะนิ่งคือคืนสู่สภาพของมันเป็นเช่นนั้นเองนะแต่ทีนี้ถ้าเราเทียบกับนิพพานเนี่ยนิพพานก็คือความสิ้นยึด นะไม่มีตัวเราไปยึดถือสิ่งใดมันมีแต่ธรรมชาติที่เป็นของมันเช่นนั้นอยู่แล้วก็หมายความว่าธรรมชาติที่ไม่ปรากฏธรรมชาติที่ไม่เกิดมันก็มีอยู่ของมันอย่างนั้นอยู่แล้วและธรรมชาติที่เกิดแล้วที่ปรากฏแล้วมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหากไม่มีใครไปยึดถือกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยมันก็หมดปัญหามันจึงเหลือแต่ธรรมชาติ จึงไม่มีเราต้องทุกข์ต้องเป็นอะไรอีกอันนี้เป็นการอุปมาเพราะฉนั้นเนี่ยจริงๆมันก็ง่ายมากเนาะถ้าเข้าใจตรงนี้ก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังว่าเออธรรมชาติมันก็มีสองสองฝ่ายสองประเภทประเภทที่ไม่เกิดไ ม, ด ม, นะรรม่ดับก็มีอยู่แล้วนะธรรมชาติที่กระดับก็มีอยู่แล้วก็ก็มันก็มีอยู่แค่นั้นเองอ่ะไม่มีเราที่ต้องไปจัดการหรือไม่มีเราต้องไปยุ่งอะไรเลยแค่เนี้ยมันก็ ก็บรุลุคือคือเข้าถึงสัจธรรมสูงสุดแล้วก็คือไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องอะไรกับอะไรมันมันก็ง่ายดีนะฟังแบบเนี้พระอาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะถามเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดหรือแม้แต่เวลาที่เราฟังหลงพ่ออยู่อย่างเนี้ยค่ะเราก็ต้องมีเราก็เหมือนกับคิดไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะด้วยนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความรู้ว่าเรากําลังคิด เรารู้ว่าเรากําลังคิดเราเห็นว่าเรากําลังคิดเนี่ยเวลาเราเห็นว่าเรากําลังคิดเนี่ยมันจะยังมันจะเออ่เราจะยังคิดต่อต่อไปอย่างเงี้ยมันจะได้ไหคะหลวง่ อ, งอเออเมื่ อ, อขันห้ายังไม่แตกเขาเรียกว่าพูดภาษาสมมตินะถ้าเรายังไม่ตายนะตราบใดที่ยังไม่ตายเนี่ยความคิดเพราะมันเป็นขันห้าเนาะเป็นขันขันหนึ่งในห้าขันเนี่ย มันก็ยังมีเหตุปัจจัยคือมันยังทำงานอยู่ยังเคลื่อนไหวได้ยังอะไรคิดได้อยู่เพราะฉะนั้นในความคิดเนี่ยมันก็คือเป็นปกติธรรมดาของขันนะไม่ว่าจะเป็นขันรูปขันรูปก็มีอยู่ก็เป็นธรรมดาเวทนาความรู้สึกก็เป็นธรรมดาสัญญาที่จำได้ก็เป็นธรรมดา ส, สังขารเมื่อกี้ที่คิดเนี่ยก็คือเป็นธรรมดาและการรับรู้ก็เป็นธรรมดาทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมดาหมดเลย เพราะมันไม่ใช่เราไงมันเป็นธรรมดาซึ่งมันจะต้องเป็นอยู่เช่นนั้นนะเป็นอยู่เช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเข้าใจตรงเนี้ยนะมันจะไม่มีตัวเราในขันเลยมันมีแต่ขันเท่านั้นที่กําลังทํางานกคำเรียกว่ากําลังเคลื่อนไหวกําลังมีปฏิกิริยาอยู่ซึ่งมันเป็นปกติเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่คนเราเนาะเมื่อฟังธรรมะไม่เข้าใจเนี่ยมันก็จะมีตัวตนนะ ตัวตนเนี่ยคือความหลงไงมันเกิดความหลงขึ้นมาก่อนแล้วก็ไปหลงยึดถือขันใดขันหนึ่งหรือยึดถือห้าขันเลยว่ามันเป็นเราเป็นเราพอเป็นเราเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยมันก็ชอบชอบยุ่งกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นสิ่งไหนชอบสิ่งไหนเราชอบเราก็ยึดเราก็อยากให้มีไว้แต่สิ่งไหนที่ไม่ชอบมันก็ผลักไสไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นที่เรียกว่าเป็นอวิชชาคือ ความไม่รู้ไม่รู้ว่าไปหลงยึดขันห้าเข้าแล้วแต่ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็ถอนคือหมายความว่ามันก็ถ้ารู้เมื่อไหร่นะมันก็จะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีมีแต่ขันห้ามันคิดได้มันปรุงได้มันพิจารณาอะไรได้มันคุยกันได้มันโต้ตอบกันได้มีปฏิกิยาต่างๆได้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันเขาเรียกว่าเห็นแจ้งรู้แจ้งด้วยปัญญาแหละก็เลยก็ไม่ได้ว่าอะไร ให้มันทำงานไปเป็นปกติประมาณอย่างนี้จะมีที่บัญญัติในพุทธศาสนาก็คือเป็นโลกธาตุทั้งหอนะครับก็จะมีดินน้ำลมไฟใช่ไหมครับแล้วก็มีอากาศธาตุแล้วก็ธาตุรู้ทีนี้การที่เราจะมาเชื่อมโยงกับเมกี้ที่เราพูดก็คือสังคตตาสังคตะก็คือรูกจิตเจตสิสนิพัานนะครับทีนี้ตัวธาตุรู้ในความหมายของ ในโลกธาตุหใน6ตัวนั้นนะครับเอ่อจะเป็นตัวรู้กับที่เรารู้ตัวว่าตัวธาตุรู้เนี่ยกำลังรู้ว่าเราทำอะไรอยู่หรือเปล่าครับอันนี้อาจจะขออนุญาตเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นทางทฤษฎีนิดหนึ่งครับก็ก็เลยอาจจะหลกวนหลวงพ่ออาจจะแสดงความคิดเห็นตรงนี้เพิ่มเติมให้พวกเราฟังหน่อยนะครับ ให้หลวงพ่อตอบก็หลวงพ่อต่าเขาเรียกว่าหลวงพ่อรู้เนาะหลวงพ่อรู้นะตอนนี้ที่กําลังจะอธิบายต่อไปเนี้ยแต่ยังไม่รู้หลวงพ่อแต่จริงๆขณะที่หลวงพ่อรู้เนี่ยมันก็รู้หลวงพ่อได้ด้วยว่าไอความรู้ของหลวงพ่อเนี่ยอาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้ยังเป็นความปรุงแต่งเนาะแต่ธรรมชาติที่รู้หลวงพ่อเนี่ยมันรู้อย่างซื่อตรงหรืออย่างตรงไปตรงมาว่าหลวงพ่อพูดเป็นยังไงมันก็รู้เราหมดแต่มันก็ไม่ได้ มันไม่ได้ว่าอะไรแต่ให้หลวงพ่อพูดไปเรื่อยๆนะทีนี้อาจะหลวงพ่อจะพูดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้นะอันนี้ที่พูดนี้ไม่ใช่ธาตุรู้เนาะเพราะว่ามันมันมันไม่ได้เป็นบ้านี่ตอนนี้พูดได้ก็เป็นเป็นรู้ที่ไม่จริงเออถ้าพูดจากที่ได้ยินได้ฟังนะได้ยินรด้ฟังจากคนอื่นเขาพูดให้อีกทีหนึ่งเ<อ>ขาบอกว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยถ้ามันเป็นจริงๆอ่ะธาตุรู้ก็คือมันเป็นธาตุที่บริสุทธิ์นะเป็นธาตุที่ มีแต่ความรู้จะไม่มีจะไม่มีอะไรเลยคือคือรู้อย่างเดียวแต่เนื่องจากว่าธาตุรู้เนี่ยถ้ายังไม่บริสหมายถึงว่าธาตุรู้เนี่ยถ้ามันยังมาเกิดเนี่ยอย่างตอนนี้เข้ามาเกิดแล้วมาผสมกับดินน้ำไฟลมแล้วก็มีอากาศาธาตุแล้วก็ธาตุรู้อันนี้เขาเรียกว่ามันปรากฏแล้วธาตุรู้อันนี้เป็นธาตุรู้ที่ยังถูกห่อหุ้มด้วยอวิชา นะเนี่ยที่มามาผสมในมาผสมในที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยธาตุรู้เนี่ยถึงแม้ว่าจะบริสุทธิ์แต่ก็ยังถูกข่อหุ้มด้วยวิชาคือความยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่รู้ยึดมั่นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ตั้งแต่ที่มันเริ่มเกิดมาเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่นะ เอาเป็นว่าในชีวิตเนี้ยเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยนะประกอบด้วยดินน้ําไฟลมอากาศาธาตุและก็าธาตุโลหแต่าธาตุโลหเนี่ยตราบใดที่ยังไม่เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ายังประพฤติ ผ, ผิดผิดอยู่ยังมีความเห็นผิดอยู่มันก็ยังอวิชชาห่อหุ้มอยู่นะพอห่อหุ้มอยู่เมื่อมันห่อหุ้มอยู่อวิชชาห่อหุ้มอยู่มันก็ยังเข้าใจผิดยังคิดผิดยังยังอะไรผิดผิดแล้วก็ไปยึดไปยึดอะไรอ่ะก็ไปยึดรูป ไปยึดเวทนาไปยึดสัญญาไปยึดสังขารแล้วก็ไปยึดวิญญาณว่าเป็นตัวเป็นตนนะยึดหมดเลยห้าขันแต่ทีนี้พอถึงจุดหนึ่งนะสมมติว่าร่างกายมันแตกตายไปเพราะว่ามันก็ไม่เที่ยงเนาะพอไม่เที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความยึดเนี่ยที่ยังยึดอยู่ว่าร่างกายที่ตายเนี่ยเป็นของตนเพราะฉะนั้นพอตายไปเสร็จแล้วธาตุรู้เนี่ยที่ยังมีอวิชชาอยู่เนี่ยเพราะยังไม่หมดเชือ้อ มันก็ไปหาที่เกิดใหม่ไปหาร่างใหม่อีกพอได้ร่างใหม่ก็ไปยึดร่างใหม่อันนั้นเช่นไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เนาะก็ไปยึดว่าเป็นเป็นตัวตนขึ้นมาอีกแล้วก็เกิดมาในชาตินั้นยังไม่สิ้นอวิชชาก็ไปเกิดใหม่อีกก็ไปเกิดเป็นอะไรก็ไปยึดสิ่งนั้นหมดเลยรวมแล้วเนี่ยนะการที่ยังมีอวิชชาห่อหุ้มธาตุรู้อยู่แบบเนี้ยตราบใดยังไม่สามารถ ดับเอาวิชาได้นะมันก็มีพพมีชาติที่ต้องไปเกิดวนเวียนเป็นวัตจักไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้ามันจะจบได้ก็คืออย่างเช่นในชาตินี้นะที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็เกิดในยุคที่ยังมีคำสอนพระพุทธเจ้ายังมีผู้สอนยังมีผู้บอกอยู่แล้วก็เกิดเป็นมนุษย์สามารถที่จะฟังภาษาที่จะเข้าใจได้แล้วน้อมมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามที่ หลักที่พระพุทธเจ้าท่านสอนได้เช่นในอริยมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยมาเรียนมาศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดเป็นปัญญาก็นะาเรียกว่ารู้ในสิ่งที่ไม่รูนะ้พอรู้ในสิ่งที่ไม่รู้เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะถอดถอนได้ว่าโอ้ไอ้นั่นก็ไม่ใช่เรานี่ก็ไม่ใช่เราอันนั้นก็ไม่ใช่เร า, น, น, เรานี่ก็ไม่ใช่เรามีแต่สังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสุดท้ายเนี่ย อ่าวิชามันดับไปเพราะรู้แจ้งนะอ่าวิชาดับไปนะพออาวิชาดับไปเสร็จไอความรู้เนี่ยหมายถึงว่า้ารู้เนี่ยไม่ถูกคอหุ้มอีกแล้วจึงรู้แจ้งดุดนะอันนี้ดุดอุปมาณนะดุดแสงอาทิตย์ก็สามารถรู้แจ้งโลกได้เพราะแสงอาทิตย์เนี่ยมันสามารถสอดสอดส่สสองนะสอดส่องสามอองศาเละรอบตัวก็สามารถเห็น เห็นโลกนี e ้เห็นดวงเห็นดวงดาวเห็นเห็นก so ้อนเมฆเห็นอะไรคือมันส่องถึงหมดเลยก็ตรงนี้อุปมาคล้ายๆว่าธาตุรู้เนี่ยมีความสว่างในการที่จะสอดส่องหรือว่าเห็นแจ้งแต่เห็นแจ้งเสร็จแล้วก็ก็สามารถเข้าใจได้เลยว่าดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์โลกก็คือโลกดวงจันทร์ก็คือดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆก็คือดวงดาวต่างๆมันไม่ใช่ดวงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์มันจึงรู้จักตัวมันดีว่ามันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นแค่ดวงอาทิตย์ทีนี้ธาตุรู้ก็เหมือนกันเมื่อรู้แจ้งแล้วเนี่ยไม่มีอะไรห่อหุ้มมันก็สามารถรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดไม่ใช่ธาตุรู้ธาตุรู้จึงเป็นอิสระหมายความว่ารู้แจ้งรู้หมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ยึดถืออะไรรวมทั้งว่า คือมันเป็นอิสระเนาะมันพ้นไปจากสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเพราะนั้นเป็นความรู้แจ้งรู้จริงรู้รู้แล้วไม่ติดไม่ยึดอะไรมันก็เป็นเป็นธาตุรู้ที่เขาเรียกว่าตอนเนี้ยไม่มีอะไรห่อหุ้มเมื่อเป็นถึงขั้นนี้เสร็จแล้วเนี่ยการที่จะหลงมาเกิดเป็นนู่นเป็นนี่จะไม่มีอีกแล้วก็จะเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรมคือไม่ต้องกลับมาเกิดมาหลงยึดให้เป็นอะไรอีกแล้ว ก็เป็นอมตะธรรมก็คือเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติซึ่งมีอยู่ทุกขนทุกแห่งแล้วก็ไม่ได้แยกว่าธาตุรู้เนี่ยอยู่ที่ไหนหรือเป็นของใครไม่มีละมันมีเป็นธาตุตามธรรมชาติเพียวเพียวแล้วอืมก็นี่ประมาณอย่างนี้นี่ที่พูดมาทั้งหมดเขาเรียกว่าเป็นความรู้ที่หลวงพ่อรู้ไม่ใช่ทางพ้นทุกทางพ้นทุกคือต้องรู้หลวงพ่อ ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นแค่สังขารปรุงแต่งไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่อะไรหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวก็แก่เจ็บตายไปแล้วก็พูดไม่ได้ตายหมดนี่ต้องกลับมารู้แบบนี้ถึงจะพ้นทุกข์แต่สิ่งที่หลวงพ่อเล่ามานี่พ้นทุกข์ไม่ได้นะเพราะมีตัวหลวงพ่อเป็นผู้เล่าจริงมันจะมันจะยากอะไรเนอะรู้เราเนอะหลวงพ่อเอาตัวเอาตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นตัวอุปกรณ์กันแล้วกัน ว่าตัวหลวงพ่อก็คือคือขันห้าใช่ไหมมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็รวมกลุ่มกันแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยมันปรุงแต่งไปว่ารู้อย่างนั้นว่ารู้อย่างเนี้ยสิ่งที่หลวงพ่อพูดไปเนี่ยมันมีทั้งนั้นะไม่ใช่รู้จริงหรอกเพราะว่ามันรู้จากการได้ยินได้ฟังมาเออแล้วก็มาบอกญาติโยมเนี่ยฟังแต่มันมีอีกรู้หนึ่งคือมารู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยกาลังพูดกาลัง พเื่อยเปื่ยไปเรื่อยเนาะขาก็ขยับมือก็เกาปากก็พูดแล้วก็มันรู้มันรู้เราหมดเลยแต่มันก็ไม่ได้ว่าเรานะว่าเรารู้ผิดรู้ถูกมันพูดมันมันพูดไม่ได้ไงแต่มันรู้อย่างเดียวว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อเนี่ยเป็นยังไงบ้างนีถ้าเข้าใจตรงเนี้มันก็ทําให้แยกแยะได้ว่าอ๋อไอ้รู้ที่พูดได้เนี่ยซึ่งมันมันประกอบด้วยขันทั้ง5้านี่เนาะไอเนี้ยมันเป็นรู้ปลอมมันเป็นรู้ปลอม เพราะรู้แล้วเนี่ยมันคือมันรู้ปรุงแต่งไงประกอบด้วยความจําบ้างความคิดบ้างมโนโบ้างเดาเอาบ้างเฮ้ยสารพัดแต่มันมีรู้จริงไงที่มารู้หลวงพอ่อไอรู้จริงอันนั้นแหละมันมันแจ้งมากเลยมันรู้ในตัวหลวงพ่อแจ้งมากเลยแต่มันได้แต่รู้มันไม่ได้ตักเตือนหลวงพอ่อเราบอกเฮ้ยหยุดหน่อยหยุดหยุดหยุดหยุ ด, ย ด, ยดพร่ำเราหน่อยอย่าไปพูดเดี๋ยวผิดเยอะไม่มีหรอก เพราะว่าถ้าพูดไปบอกว่าหออยุดก่อนหยุดก่อนไอ้นั้นก็เป็นสิ่งที่ปรากฏมันก็ไม่ใช่รู้อยู่ดีเพราะฉะนั้นที่รู้แทรู้จริงอ่ะมันได้แต่รู้ตัวเราว่าเราอ่ะกำลังทำอะไรกำลังพูดอะไรกำลังคิดอะไรเออแล้วมันไม่ได้จัดการมันไม่ได้ฆ่าเรามันไม่ได้ทำเราสักอะไรเราสักอย่างเดียวมันได้แต่รู้จำความเข้าใจของโยมรู้จริงนี่คือเขาเขารู้คือรู้ทุกอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับแค่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเพราะว่าเขารู้รู้ทุกอย่างเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเขาก็เลยไม่ใช่แค่รู้เราอย่างเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่ออ่าจริงๆรอ่ะรู้รู้ของธรรมชาติรู้เนี่ยรู้ไม่มีประมาณนะรู้ไม่มีประมาณคือรู้ตัวเราก็รู้อยู่แล้วแล้วรู้อื่นๆเนี่ยรู้หมดแหละว่าทุกอย่างเนี่ย เออมันเป็นอะไรหล่ะคือไม่ใช่รู้เพราะรู้เนี่ยมันรู้จักตัวเองใช่ไหมว่าตัวมันอ่ะคือเป็นอย่างนี้แต่นอกนั้นเนี่ยมันรู้ว่าไม่ใช่ตัวมันแล้วมันรู้มรู้เขาเรียกว่ารู้ไม่มีขอบไม่มีเขตคือรู้ไม่มีประมาณอ่ะว่ารู้สักเท่าไหร่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหลวงพ่อก็พูดเอาเองอีกแต่มันรู้ของมันอ่ะตามที่เหมือนกับว่าปัญญานี่นะ ที่จะเข้าใจได้ก็คือว่ามันรู้ไม่มีประมาณรู้แจ้งโลกรู้รู้ทุกไม่รู้จะอธิบายยังไงหลวงพ่อไม่อธิบายแทนเขาก็แล้วกันไม่งั้นเนี่ยหลวงพ่ อ, พ, อพูดเองหมดเลยเอาเป็นว่าสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่มีสิ่งที่เกิดแล้วสิ่งใดมีสิ่งใ ด, งดเกิดสิ่งรันหับอันนั้นแหละไม่ใช่รู้ รู้เนี่ยเราอธิบายเขาไม่ได้แต่ว่าพอจะพูดเพื่อให้พอเป็นเข้าใจได้อ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องปรบจิตตังเลยอ่ะอ่าทีนี้ก็เนาะพวกเรานะหลักๆเลยแหละกลับมาเลยสิ่งที่เราสงสัยเราถามเนี่ยคือถามได้เนาะแต่ที่มันเ๋ยวจะอธิบายยังไงเนาะ คือถามได้คุยได้ทุกเรื่องแต่ว่าหลักที่จะพ้นทุกเนี่ยสู่ความบริสุทธิ์หมดจดหลุดพ้นนิพพานเนี่ยต้องรู้รู้สิ่งที่อยู่ในตัวเราที่กำลังมีกำลังปรากฏ <c oughs> แล้วก็ให้เหียนแจ้งอยู่อย่างนั้นว่ามันเป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็ไม่ใช่เรา <c oughs> หลงวงพ่อสังเกตนะว่าเวลาคุยกันเรื่องรู้เนี่ย รู้ที่เป็นธ า, าตุรู้หรือว่าธรรมชาติที่รู้เราเนี่ยทุกคนเลยอยากจะรู้จักไอรู้ตัวเนี้ยมากเลยแล้วก็พยายามจะหาให้เจอบ้างจะทําความเข้าใจบ้างว่ามันคืออะไรนะหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็เป็นเพราะว่ามันมันคลองใจไงคือเมื่อมันไม่แจ้งด้วยตัวหลวงพ่อเองเนี่ยความรู้สึกมันคาใจ แต่พอมาดูตอนหลังว่าเรายิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งหาเท่าไหร่เนี่ยไม่มีวันจะเข้าใจมันได้ก็เลยใช้วิธีหยุ ด, ห ย, ดหยุดการที่จะเข้าใจมันปรากฏว่าพอหยุดแค่นี้แหละมันรู้เราเลยว่าเราหยุดแล้วมันรู้ว่าหลวงพ่อหยุดแล้วแค่นี้ก็สามารถเข้าใจได้เลยว่าไอ้ที่มันรู้เราเนี่ยก็คือนั่นแหละที่มันรู้ว่าเราหยุดแล้วเราหยุดการหาแล้ว แต่นี่ถ้าลองหาใหม่อีกมันก็รู้เราอีกว่าเราหามันแล้วตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นน่ะถ้าในช่วงต้นเนี่ยถ้าพวกเราพยายามจะรู้จะทาความเข้าใจมันเนี่ยไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เราเนี่ยจะต้องหยุดก่อนลองหยุดดูดิแล้วมันจะรู้เราว่าเราหยุดหาแล้วจริงมันเป็นเคล็ดลับที่ไม่รับ ก็มีที่สิ่งที่หลวงปู่ดูลเคยพูดก็ก็มีนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะหยุดคิดจึงรูออ้แต่ต้องอาศัยคิดเนี่ยคือมันเป็นคำของท่านแต่ว่าเข้าใจได้เข้าใจได้ก็คือว่าเช่นตอนนี้เราคิดหาเนาะคิดหาที่จะรู้ว่าไอ้รู้เนี่ยที่มันรู้เรามันคืออะไรอย่างเงี้ยคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกเพราะว่ามันคือคิดไงแต่ถ้าลองหยุดคิดดูดิ มันจะรู้เลยว่าหยุดคิดแล้วไอ้ที่รู้ว่าหยุดคิดแล้วนั่นแหละคือคือรู้คิดไม่ใช่รู้แต่ต้องอาศัยคิดก็เพื่ออะไรก็คิดเมื่อคิดแล้วมันก็จึงทำให้รู้ไงรู้ว่าคิดก็เลยเออคำพูดนี้มันก็ดีเหมือนกันนะทีเนี้ยอันี้โยมก็สามารถเอาไปใช้ได้เมื่อกี้ที่ผ่านมานะโยมพยายามจะคิดยังเลยว่ารู้นั่นคืออะไร เพราะตอนนั้นยังไม่เห็นความคิดไงเพราะว่ามัวแต่คิดอยู่ทีนี้ลองหยุดคิดพอหยุดคิดปั๊บมันรู้ว่าหยุดคิดอ่ะไม่มีไม่รู้หรอกว่าหยุดคิดอ่ะมันต้องรู้ว่าหยุดคิดอ่ะพอหยุดคิดเสร็จแล้วแล้วต่อมาก็คิดพอคิดแล้วจึงรู้ว่าคิดโอ้รู้รอบเลยคันนี้หมายความว่าหยุดคิดก็รู้เวลาคิดก็รู้แต่รู้ไม่ใช่คิดก็ประมาณอย่างนั้นนะทีนี้อย่างพระนนท์อันนี้นี่เป็นเป็นความ เป็นความารู้สึกเป็นความเห็นหลวงพ่อเนาะอันนี้คือเป็นความเห็นซึ่งไม่ไม่รู้มันมันก็อาจจะผิดแหละแต่ว่าเห็นอย่างนี้ก็คือว่าตอนที่ว่าพระอานนท์เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทำนายไปแล้ ว, ลวต้องต้องอบรรลุปเป็นพระอรหันต์เนาะแล้วก็ทีนี้ช่วงนั้นแหละที่มีการจัดสังขยาาทีนี้ปรากฏว่าตรงนั้นนี่ยมันเป็นความอยากเป็นความอยากก็คือมีตัวเรามีตัวตน อยากที่จะได้บรรลุทำเป็นพระอระหรันต์จึงทำความเพียรด้วยความอยากนะต้องบรรลุให้ได้คืนนี้นะจนกระทั่งว่าเพียรมากๆเพียรด้วยความอยากอะไรแต่ยังไม่รู้ในบา ง, บางสิ่ง ท, ที่ที่ควรรู้พอเพียรไปจนเหนื่อยจนใกล้สว่างเนาะแล้วก็จะเอนหลังลงนอนหัวไม่ทันถึงหมอนเนี่ยตรงนั้นแหละเน็ เ, เรียกว่าหยุดเลิกเลิ ก, ลกทำความเพียร แต่เป็นการเหมือนกับว่าการเลือกทำความเพียรเนี่ยมันเป็นแบบเป็นปกติธรรมดาไม่ใช่ว่าต้องคิดอะไรให้สลับซับซ้อนอะไรเพียงแต่ว่าเหมือนอาจจะดําทธิ์ในใจบอกเหนื่อยแล้วพักก่อนอะไรเนี้ยพอพักปั๊บเนี่ยมันก็เกิดการผ่อนคลายนะในความตึงเครียดในความอยากความอะไรทั้งหมดเลยมันความอยากๆทั้งหลายมันก็จางคลายจางคลายจางคลายหายไปพะตรงนั้นลมันเป็นจุดที่ปิ๊งขึ้นมาว่าโอ้ ที่ผ่านมานี่มันเป็นความอยากทั้งหมดเลยมันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานนี่อยากได้อยากมีอยา ก, ยากเป็นแต่พอเห็นความจางคลายหมายความว่าความอยากดับไปความอยากได้อยากมีอะไรมันดับหมดสิ้นก็จึงเหลือเลยว่าอา้าวที่แท้เนี่ยมันต้องดับตรงนี้มันต้องไม่มีสิ่งไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีอุปาทานอย่างโ น, น้นพอมันรู้ความดับไปของกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยก็เลยแจ่มแจ้งขึ้นมาว่าจริงๆกา ร, รบรรลุพระอรหันต์ก็คือต้องต้องหมด หมดความอยากหมดความที่อยากเป็นอะไรทั้งหมดเลยก็กลับคืนสู่เป็นปกติอ่เป็นความไม่ปรากฏนั่นแหละคือไม่ปรากฏแห่งความอยากไม่ปรากฏแห่งความมีพอถึงตรงนี้ปับ๊บมันก็โผ่งออกมาเลยว่าอ๋อนี่จริงๆมันก็บรรลุมันก็อยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นลองเทียบกับการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันเนี่ยมันเต็มไปด้วยความความอยากนะมีตัณหาอุปาทานคืออยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้เข้าใจ พวกเหล่านี้มันเป็นเครื่องขวางกั้นหมดเลยแต่ถ้าลองเห็นตัวเองว่าไม่ใช่ตัวเองเนี่ยเห็นว่าอันนี้ยอตัวเนี้ไม่ใช่ตัวเองแล้วก็ไปอยากอะไรนะถึงได้มาในเมื่อไม่มีตัวเองก็ไม่มีผู้รับอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็หยุดเนี่ยพอหยุดดิ้นรนหยุดการแสวงหาเนี่ยเนี่ยก็เข้าสู่ความไม่ปรากฏไม่ปรากฏคือไม่ปรากฏความอยากไม่ปรากฏความมี มันก็จะเข้าใจได้เลยว่ามันจะสงบมันเย็นมันหายเหนื่อยเลยอ่ะมันหายเหนื่อยเลยมันก็ตรงนี้แหละมันจะโล่งโพร่งแล้วก็จะเข้าใจเลยว่าโอ้ที่แท้นี่เนาะมันจะต้องหยุด <c oughs> หยุดในสิ่งที่อยาก <c oughs> เออนี่ยตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจเองอันนี้ก็พูดให้ฟังนะนะเพราะว่ามันก็บางคนอาจจะง่ายแต่ก็บางคน มันกินไม่อิ่มยังต้องกินต่อไงมันยังไม่พอยังต้องกินไปเรื่อยๆคือแสวงหาไปเรื่อยฟังไปเรื่อยๆก่อนแต่ก็สักวันหนึ่งจะเข้าใจเองว่าอยากเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นแล้วก็เหนื่อยแต่หยุดเมื่อไหร่ก็คือหยุดรู้ตัวตัวเองอะไรหยุดแค่หยุดแล้วก็แค่เนี้ยจะรู้เลยว่าอ๋อความดิ้นรนการแสวงหาอะไรก็จบลงมันก็จะจะจ ะ, จะหายเหนื่อยเออจะไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ขับแค้นใจไม่อะไร เอ่อเขาเรียกไรถึงพยายามตามมองตัวเองอะนะคะไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งหลับตาทีนี้เมื่อเช้าเนี้ยก็ลองเข้าไปดูหลวงพ่อใน youtube ่ปค่ ะ, ค, ะคือก็เลยสังเกตตัวเองได้ว่าอะไรวะอวัยวะส่วนที่ทําให้ตัวเองแบบเขาเรียกตรุงแต่งเหรอคืออย่างนี้ค่ะคือฟังหลวงพ่อเอ่อบทที่ฟังนี่จะเป็นเรื่องที่ว่าไปเจอหมาน่ารักอะคะ่ะอันนั้นก็คือเห็นชัดแล้วก็ ตอนฟังนี่ก็คือนั่งล้างจานไปใช่ไหมคะเราก็เออรู้รู้ว่าเออคนนี้เขาฟังอยู่แล้วก็น้ํามันเย็นนู่นนี่นั่นนะคะแต่พอแบบหันไปมองเนี่ยก็จะเห็น <c oughs> เห็นพระข้างหลังแบบยกมือมั่งชนมั่งอย่างนี้ก็เลยสังเกตดูว่าเออ เ, เวลาเวลาเวลาตาเรามองอะไรเนี่ยแบบระบบประมวลผลนี่มันจะมาเยอะมากอ่ะคะ่ะคืออันนี้เขาเรียกอะไรมาอัปเดตให้หลวงพ่อฟังอะค่ะว่า คือสังเกตตัวเองว่าตาเวลาเรามองเนี่ยแล้วเราจะแบบการคิดนี่มันจะมาเยอะแต่ความรู้สึกตัวที่ถ้าสังเกตเนี่คือตัวรู้อย่างที่หลวงพ่อเล่าเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสัมผัสทางกายอย่างมือมือสัมผัสทางผิวหนังมันจะชัดกว่าประมาณนี้ค่ะอืมก็ค่อยค่อยเนาะเ อ, อค่อยๆยสังเกตอย่างนี้แหละเดี๋ยวจะเข้าใจมากขึ้นเอง เพราะว่าเวลารู้ตัวเองเนาะมันมันไม่ได้รู้ด้วยตาไงเนะเช่นเราปิดตาก็ได้หรือลืมตาก็ได้แต่ว่ามันรู้เรียกว่าหลวงพ่อใช้คําว่ารู้ด้วยใจก็ได้มันรู้ด้วยใจว่าเราเนี่ยกําลังทําอะไรเช่นล้างจานเห็นไหมเราไม่ต้องใช้ตาดูหรอกมันรู้ด้วยรู้ได้ด้วยใจว่า อ, อ๋อร่างกายกําลังขยับ มือก็รูปไปเรื่อยขยับคือมันเคลื่อนไหวทั้งตัวคือรู้ทั้งตัวได้ะนะว่าตัวเองยืนล้างจานแล้วก็ในระหว่างยืนล้างจานมันก็มีความคิดเห็นความคิดคิดอุตรลุดเลยคิดนู่นคิดนี่แล้วตรงเนี้ยเมื่อเมื่อรู้ถึงความมีอยู่ของร่างกายที่กำลังยืนล้างจานอันนี้รู้จักกายแล้วว่ากายคือมันมีลักษณะอย่างนี้ แล้วก็เมื่อรู้ว่ามีความคิดก็จะรู้จักเลยว่าอ๋อความคิดมันไม่ใช่กายนี่ความคิดมันเป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งที่มันคิดได้เออมันคิดเป็นเรื่องเป็นราวคิดนู้นคิดนี่ก็จะเหมือนเขาเรียกว่าแยกแยกเป็นแยกเป็นว่ากายก็ส่วนกายความคิดก็เป็นส่วนความคิดนแล้วก็สังเกตอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะแยกเหมือนกับว่าหัดหัดแยกว่ามันเออมันไม่เหมือนกัน เมื่อเป็นอย่างนี้ยเดี๋ยวมันก็จะชํานาญขึ้นเลยว่าเมื่อแยกแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นกายอย่างเดียวมันเป็นเราได้ไหมคําตอบมันก็จะรู้เลยว่าเออถ้ามีแต่กายอย่างเดียวมันก็มันก็เป็นเราไม่ได้ดิแล้วถ้าเป็นความคิดอย่างเดียวมันเป็นเราได้ไหมก็ไม่ได้อหัดแยกว่าไอ้แต่ละอย่างที่ที่รู้อ่ะที่ใจไปรู้เนี่ยมันก็เป็นเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้แล้วก็ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือว่า มันก็สิ่งที่ถูกเห็นเนี่ยต่อไปมันก็หมดไปนะอย่างเห็นเมื่อเช้าเนี่ยมันหมดไปแล้วแล้วตอนนี้นึกได้เนาะเอามาเล่าใหม่ความคิดที่คิดเมื่อเช้าที่ตอนล้างจานมันก็เคยคิดแล้วก็มันหมดไปแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแล้วหมดมันปรากฏแล้วหมดไปหมดไปเสร็จแล้วเท่ากับมันไม่มีพอไม่มีเสร็จแล้วต่อมันก็ปรากฏใหม่มันก็เป็นความมีใหม่แล้วมันก็หมดอีก แล้วก็ต่อมันก็มาปรากฏใหม่ก็มีใหม่แล้วก็หมดอีกจะรู้เลยว่ามีแล้วหมดมีแล้วหมดมีแล้วหมดไอ้มีแล้วหม ด, แ, หมดแบบเนี้ยที่หลวงพ่อพูดบ่อยๆว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเป็ น, เ ป, นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัว Coconut. ตนเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อที่จะเห็นบ่อยๆจะเพื่อทําลายความเห็นผิดว่าเมื่อก่อนเห็นผิดว่ามันเป็นเราเนาะตอนเนี้ยเพื่อทําลายความเห็นผิดว่าที่ใช้มันไม่ได้เป็นเรามันเป็นแค่สิ่งปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏแล้วหมดไป ค่อยๆเนาค่อยๆไปอ่าเดี๋ยวก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาเองขอบพระคุณค่ะ